ที่จังหวัดสกลนครบัวเฮียวเป็นชาวยวนอบพยพนะคะซึ่งก็ถูกบังคับให้อยู่ในเขตจำกัดภายในพื้นที่ของจังหวัดนี้เท่านั้นจะออกไปเที่ยวเพ่นพ่านในจังหวัดอื่นนั้นไม่ได้ค่ะก็ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยอย่างเข้มงวด ทางภาคอีสานนั้นเวลามีงานพิธีมงคลหรือว่างานรื่นเริงตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะมีการเลี้ยงดูอาหารซึ่งทํากันเป็นเอกเกริกนะคะในการนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องการล้มวัวล้มควายเอาเนื้อมาปรุงเป็นอาหารละค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทลาบแล้วก็ต้มนะคะรสจัดจ้านคู่ ก, กันกับสุราเมรัยยิ่งถ้าเป็นงานใหญ่หรือว่าเจ้าภาพมีฐานะมีหน้ามีตาในชุมชนหมู่บ้านตำบล น, นั้น วัวควายก็ต้องพลีชีพให้กับความอร่อยปากอร่อยลิ้นของมนุษย์คราวละหลายตัวละค่ะบัวเฮียวมีรายได้หลักนะคะจากการรับจ้างประหัดประหารวัวควายเป็นประจำเพราะว่าตัวของบัวเหียวเองก็ไม่มีวิชาวความรู้พอที่จะไปทำงานอื่นเพื่อเลี้ยงชีพได้ต่อมาบัวเหียวซึ่งเป็นนักฆ่าสมัครเล่นก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นนักฆ่ามืออาชีพค่ะโดยสมัครเป็นคนฆ่าหมูกับเท่าแก่ชาวจีนของโรงฆ่าหมูคนหนึ่ง วันนึงๆเนี่ยก็ต้องฆ่าแล้วก็ชำแหละหมู 4-5 ตัวเป็นประจำแล้วก็ตลอดเวลาที่บัวเหี่ยวฆ่าหมูแล้วนะคะก็ตัวแล้วตัวเล่าค่ะต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีเขาไม่เคยสะดุ้งสะเทือนต่อบาปกรรมใดคิดเพียงแต่ว่าหมูเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนซึ่งก็เท่ากับว่ามันเกิดขึ้นเพื่อที่จะต้องตายเมื่อตัวโ ต, วตวได้ขนาดคนกาลังกินเท่านั้น แล้วก็ไม่เห็นแปลกอะไรก็เขาคือผู้ที่ฆ่าหมูเพราะหากเขาไม่ฆ่าคนอื่นก็ต้องฆ่าอยู่ดีแต่แล้ววันที่บัวเหียวจะถึงเวลายุติกรรมเลวของตนเพียงเท่านี้ก็มาถึงค่ะวันนั้นบัวเหียวออกจากโรงฆ่าหมูกําลังจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางบัวเหียวเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่ง ปักปลดอยู่หัวคันนานะคะห่างไกลผู้คนพลุกพล่านพอสมควรหนุ่มชาวยวนคนนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาพระธุดงที่เห็นอยู่นั้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาก็เลยเดินเข้าไปหาพระธุดงรูปนั้นพร้อมกับยกมือพนมกราบไหว้อย่างที่เห็นชาวพุทธทั่วไปกระทําให้เห็นแล้วก็อาสาไปตักน้ํามาถวายท่านพระธุดงถามว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอาชีพการงานอะไร บัวเหี่ยวก็ตอบตามความเป็นจริงค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวยวนอพยพรับจ้างค่าบัวค่าควายแล้วก็ค่าหมูอยู่กับเท่าแก่คนจีนพระธุดงก็รับฟังพร้อมกับเกิดความเวทนาสงสารหนุ่มยวนคนนี้ท่านก็เลยแสดงธรรมให้ฟังถึงเรื่องบาปบุญแล้วก็กรรมดีกรรมเลวค่ะชี้ให้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อใดที่รู้ว่าตนจะต้องถูกเข็นฆ่าจบสิ้นชีวิตย่อมเกิดความรู้สึกสะดุ้งสยองหวาดกลัวต่อความตายอย่างน่าเวทนาดังนั้นบัวเฮียวจงไปคิดไตรตรองดูเถิดว่าเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวหรือไม่และเวลานี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเลิกละซะต่อการสร้างบาปเวรให้กับตัวเองบัวเฮียวก็ไปคิดได้ในพลันนั้นค่ะว่า2มือเราเนี่ยมันเปื้อนเลือดสัตว์ ที่น่าสงสารจนนับไม่ถ้วนเพราะว่าจิตใจมืดบอดมืดมัวเห็นผิดเป็นชอบมานานต่อไปนี้ก็ขอเลิกละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเด็ดขาดจะไม่ยอมสร้างบาปแล้วก็กรรมเวรอีกต่อไปหนุ่มชาวยวนก็ได้นมัสการกราบลาพระธุดงผู้ซึ่งให้แสงสว่างแก่ชีวิตตนแล้วก็กลับบ้านค่ะพอมาถึงบ้านก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะคืนนี้จะต้องฆ่าหมูอีก4ถึงตัว เพื่อนาไปขายส่งให้แม่ค้าพ่อค้าหมูในตลาดก็เกิดความทุกข์ร้อนกังวลใจค่ะหากไม่มาฆ่าหมูคืนนี้เท่าแก่นายจ้างคงโกรธแค้นอย่างที่สุดเพราะเท่ากับทำลายกิจการค้าขายของเขาให้เสียหายยับเยินนั่นเองเงินค่าจ้างซึ่งยังคงมีค้างคาอยู่กับเท่าแก่ยังไม่ได้เบิกมาก็มีจานวนอีกจานวนหนึ่ ง, งนะคะ หากทำให้เท่าแกโ่โกรธเขาก็คงพานไม่ยอมจ่ายเงินที่ติดค้างไว้เป็นแน่ทีนี้เนี่ยเงินจำนวนนี้จำเป็นจะต้องนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อผ่อนคลายความขัดสนเหตุนี้เองนะคะคุณผู้ฟังบัวเหี่ยวก็เลยตัดสินใจขอกระทําบาปเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกทุกทรมานใจโดยไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต ในคืนนั้นนะคะหมูสี่ห้าตัวก็ต้องตายไปด้วยน้ำมือของบัวเหียวอีกครั้งค่ะชอเช้าวันรุ่งขึ้นบัวเฮียวก็ไปขอลาออกจากงานกับเท่าแก่คนจีนพร้อมกับขอเปิดเงินค่าจ้างส่วนที่ค้างไว้ทั้งหมดเท่าแก่โรงหมูเสียดายเพชฌคาตค่าหมูชาวยวนคนนี้อย่างยิ่งเลยก็ทัดทานเอาไว้ไม่ได้จำต้องให้ลาออกไปตามที่บัวเหียวประสงค์แล้วก็จ่ายเงินให้จนครบทวนนะคะ บัวเหียยนำเงินส่วนใหญ่ไปให้ที่บ้านแล้วก็เหลือติดตัวไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อผ้าตายแล้วก็บริหารสำหรับบวชเป็นพระภิกษุค่ะจากนั้นก็ออกจากบ้านหาทางไปบวชจนได้เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติกรรมฐานพอมีความรู้เป็นพื้นฐานจึงเริ่มออกธุดงค์รูปเดียวด้วยความเด็ดเดี่ยว พระบัวเหียวทุดงไปเรื่อยๆจากทางภาคอีสานไปจนถึงภาคเหนือแล้วก็ลงไปอย่างภาคใต้ใช้เวลาปรงอาทั้งหมดนะ่คะ10ปีเพื่อค้นหาธรรมที่จะบรรเทาบาปเวรของตนตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระบัวเหียวปฏิบัติกรรมฐานโดยการเจริญอานาปานสติภาวนาพุทโธกํากับลมหายใจเข้าออก เมื่อใดที่จิตรวมสู่สมาธิระดับเอกตารมมักจะเกิดนิมิตเห็นเป็นวัวเป็นควายแล้วก็เป็นหมูที่ตนเคยพลาผ่ลันสังหารชีวิตเขามาปรากฏในลักษณะสยดสยองแต่ละตัวนีก็จ้องแต่จะจองเวรไม่ยอมเลิกราค่ะทำให้พระบูฮียวไม่อาจควบคุมจิตให้เป็นสมาธิได้ พระบัวเหียวมีแต่ความสะดุ้งกลัวในอกุศลกรรมอันหนักหนาสาหัสซึ่งเจ้ากรรมนายเวรอันได้แก่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่ตายในเงื้อมือของตัวเองเนี่ยไม่ยอมให้อภยัยไม่ยอมอโหสิกรรมโดยเด็ดขาดนะคะจิตใจของพระบัวเหียยก็เลยมีแต่ความกังวลเศร้าหมองทุกเวลานาทีตลอดมาพระบัวเหียวบากบั่นดัน ด, นดนธุดงไปเสาะหาพระอาจารย์หลายรูปหลายองค์ทั่วทุกภาคดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อมุ่งหวัง ให้ได้รับคําแนะนําชี้ทางคลายทุกข์อันเกิดจากการกระทําของตนซึ่งพระอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็เมตตาช่วยหาวิถีทางเปลื้องทุกข์ให้ตามแนวปฏิบัติของท่านเมื่อพระบัวเหียวนํามาปฏิบัติบ้บางกลับไม่เป็นผลค่ะไม่อาจหลุดพ้นจากความหม่นหมองไปได้เลยดังนั้นพระบัวเหียวจึงจาริกทุดงรอนแรมกลับสู่ดินแดนอีสานถิ่นเดิมอีกครั้งตลอดทางก็มีได้ระยอท้อถอยต่อการบําเพ็ญเพียรแม้แต่น้อย อาศัยป่าสปายะเป็นสถานวิเวกระเรื่อยมาตลอดนะคะคืนหนึ่งพระบเฮีเวค่ะได้นั่งเจริญสมาธิกรรมฐานในกรดจิตรวมตัวกันเกิดนิมิตตัวรู้บอกนะฮะว่าถ้าต้องการให้เจ้ากรรมนายเวรบรรเทากรรมจงไปที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจะแนะนำให้ท่านในนิมิตนี้ยังบ่งบอกรูปร่างลักษณะของเจ้าอาวาสไว้อย่างชัดเจนค่ะ พระบูฮิเยวถอนจิตจากสมาธิแล้วรู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อวัดอัมพวันเหตุใดนิมิต จ, จึงเกิดขึ้นเช่นนี้ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรความปิติก็ได้เกิดขึ้นแล้วพระบเหีเยวก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าสู่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีทันที ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้พระบัวเหี่ยวจะริทธุดงไปทั่วแทบว่าทะลุปรุโปรง่งแต่พื้นที่ภาคกลางกลับไม่เคยผ่านมาเลยค่ะเหตุนี้เมื่อพระบัวเหี่ยวเดินเท้ามุ่งหน้าจากอีสานสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดสิงห์บุรีจึงต้องถามทางชาวบ้านเรื่อยมานะคะตราบกระทั่งถึงจังหวัดสิงห์บุรีพระบัวเหี่ยวก็บ่ายหน้าสู่วัดอัมพวันตามที่ผู้รู้ทางแนะนาให้ ในขณะที่วัดอัมพวันนะคะมีหมายกำหนดการให้วันที่16เดือนปีนี่ไม่แน่ชัดค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วยุวพุทธิกะสมาคมค่ะก็มีกำหนดฝึกอบรมพัฒนาจิตโดยชวนเชิญนักศึกษามาเข้าค่ายที่วัดอัมพวันก็มีนายสมพรเทพสิทธาเป็นประธานในการฝึกอบรมครั้งนี้ที่ทางวัดอัมพวันได้นิมนต์พระเถรานุเถระมาร่วมการอบรมด้วย พระบัวเฮียวแบกกลดสะพายบาดมาถึงวัดอัมพรวันในวันที่13ก็ตรงริ้วเข้าไปนมัสการเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมกล่าวถวายรายงานตัวต่อหลวงพ่อนะีคะว่ากระผมเนี่ยชื่อบัวเฮียวอุปสมบทมาเป็นพรรษาที่10แล้วกระผมเกิดนิมิตว่าต้องมาแก้กรรมที่นี่จึงขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยเมตตาแล้วก็แนะนําแนวกรรมฐานให้ผมไปปฏิบัติด้วยขอรับ หลวงพ่อจรันไม่เคยพบหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันกับพระบัวเหี่ยวมาก่อนค่ะเมื่อพระบัวเหี่ยวบอกว่าจะมาแก้กรรมตามนิมิตท่านก็ยิ่งจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเมื่อพระบัวเหี่ยวมาขอรับกรรมาฐานหลวงพ่อจรันก็ให้แนวสติปฐานสก็คือ 1. กายานุปัสนาสติปฐาน 2. เวทนานุปัสนาสติปฐานนะคะส จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็สีค่ะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะเมื่อหลวงพ่อจรันทราบว่าพระบัวเหี่ยวเนี่ยใช้พุทธโธภาวนาท่านก็บอกว่าให้ใช้สติแทรกเข้าไปด้วยขณะนั่งแล้วก็เดินจงกรมโดยตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมาฐานหลวงพ่อจรรนก็ถามว่าพอเข้าใจไหมพระบัวเหี่ยวตอบว่าเข้าใจ หลวงพ่อจรัญก็อนุญาตให้ใช้กุฏิกรรมฐานหลังหนึ่งนะคะพระบุยเหียวก็ได้ขอเมตตาเพิ่มเติมโดยขอปักกลดตรงต้นสัตบุตรเก่าแก่สูงประมาณ20วาใกลๆก้ๆกันกับกุฏิกรรมฐานซึ่งหลวงพ่อก็ยกให้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อก็อนุญาตนะคะ แล้ว ก, ก่อนที่พระบัวเฮียวจานมัสการลาไปปฏิบัติที่กรดค่ะท่านได้เล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าขณะที่เดินทุดงมาตลอดสิปีเนี่ยท่านก็จเจริญสมาธิอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังแต่ไม่เคยกำหนดเวทนา เราใดที่เกิดความรู้สึกปวดเมื่อยก็ทนเอาเวลาภาวนาพุโทโธเมื่อจิตรวมดิ่งลงสู่ฐถ า, ถานสมาธินก็ดิ่งลงไปสงบนิ่งเฉยแต่ว่าไม่มีสติค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้สติปฐาน4หรือว่าจะเป็นขันหรูปนามเป็นอารมณ์เพิ่มเติมในคืนแรกที่พระบัวเหียยนั่งปฏิบัติแล้วก็เดินจงกรมที่หน้ากรดใต้ต้นสัตบัณใกล้กันกับกุฏิกรรมฐาน การปฏิบัติผ่านไปโดยสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดจนคืนที่สองค่ะพระบัวเฮียวก็รวบรวมสมาธิได้ดีแล้วก็กำหนดเวทนาคราวนี้เกิดเรื่องใหญ่สิคะพระบัวเหียวส่งเสียงร้องเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายดังลั่นไม่เป็นล่ำเป็นสันร้องเสียงกรวนครางนั้นประหนึ่งว่ากำลังหวาดกลัวสุดขีดคละเคล้ากับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสค่ะ แล้วก็เวลานั้นพระบัวเหี่ยวเนี่ยเหมือนไร้สติสัมปชัญญะแสดงอากับกิริยาผิดเพี้ยนไปจากคนปกติธรรมดานอนตัวขดตัวงอสั่นเทิมประหนึ่งว่าเป็นลักษณะของหมูถูกมัดเพื่อที่จะเอาไปฆ่าสักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นพุ่งศีรษะเข้าชนกุฏิเป็นเสากุฏิกรรมฐานบ้างชนต้นสัตบัณบ้างปากก็ร้องเหมือนวัวเหมือนควายที่กำลังถูกเชือด เกิดแผลแตกที่ศีรษะเลือดทะลักออกมาแดงฉานค่ะเปื้อนเปรอะเละสบงจีวรนชุ่มโชคมีพระเนนมมุงดูหลายคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ในขณะนั้นหลวงพ่อจรันก็ไม่อยู่ซะด้วยพระบัวเหี่ยวอลราวาดจนถึงเช้ามีเลือดสดสดทะลักออกมาจากปากจมูกในตาแล้วก็หูค่ะโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ จนกระทั่งคณะศึกษาเดินทางมาถึงวัดอัมพวันก็ทราบเรื่องว่ามีพระทุดงมาปฏิบัติวิปั ส, สนากรรมฐานแล้วก็เกิดอาการวิปริตก็พากันมายืนดูเป็นกลุ่มมีอาจารย์สมเด็จมุงเมืองขณะนั้นท่านเองก็เป็นนักศึกษาปกสอรวมอยู่ด้วยนะคะ นักศึกษาและก็อาจารย์ก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะทําอย่างไรเช่นกันเนื่องจากว่าหลวงพ่อจรันเนี่ยยังไม่กลับมาจากกิจนิมนต์จึงไปตามหมอมาตรวจดูอาการคุณหมอตรวจดูอาการแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าพระบัวเหี่ยวนี่เป็นอะไรเพราะว่าระบบต่างๆในร่างกายก็เป็นปกติทุกอย่างจะว่าพระบัวเหี่ยววิกลจริตหรือว่าเป็นโรคประสาทกําเริบก็หาไม่เพราะว่าพระบัวเหี่ยวเนี่ยก็รู้ตัวดีทุกอย่างแต่ว่าไม่สามารถหยุดยั้งกิริยาวิปริตต่างๆเอาไว้ได้แค่นั้นเอง พวกนักศึกษาเห็นสภาพของพระบวูฮยวแล้วต่างก็เกิดหวาดกลัวกันแทบทุกคนค่ะบอกว่าถ้ามานั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าทีนี้อาจารย์วิสารอาดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคามซึ่งกเกษียณอายุ ร, ราชการแล้วในเวลานั้นแต่ว่ามาช่วยงานยุวพุทธิกะสมาคมค่ะแล้วก็ร่วมเดินทางมาด้วยเห็นพวกนักศึกษาจะพากันกลับก็เลยรีบห้ามปรามเอาไว้บอกว่าจะกลับโดยพละการไม่ได้นะต้องประชุมชี้แจงก่อน ทีนี้เมื่อหลวงพ่อจรันกลับมาท่านก็เข้าไปดูพระบัวเหี่ยวแล้วก็แนะนำให้ตั้งสติกำหนดเวทนาเอาไว้อย่าย่อเท้อ คืนนั้นค่ะนักศึกษาทั้งหมดก็ได้เข้าไปประชุมแล้วก็รับกรรมาฐานไปปฏิบัตินั่งภาวนาแล้วก็เดินจงกรมสลับกันไปทางด้านพระบัวเฮียวก็ออกอาการเป็นที่หน้าหวัดเสียวอีกวิ่งชนต้นสัตรบรรญพร้อมกับร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายเลือดก็ไหลออกมาเป็นกองกองมีเลือดไหลออกมาทุกทวารค่ะขนาดถ่ายอุจจาระก็ยังมีแต่เลือดสดสดสะบงจีวรขาดรุ่งริ่งไม่มีชิ้นดี หลวงพ่อจรรรท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็คอยย้ำเตือนให้พระบัวเฮียวเนี่ยตั้งสติกำหนดเวทนาจนถึงที่สุดพระบัวเหียวในขณะนั้นมีสภาพสยดสยองเช่นนี้ถึง3วันสคืนค่ะจนกระทั่งคืนที่4ี่จึงลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็เจริญสมาธิสติปัฏฐานสเข้ า, าพระสมาบัติได้ทันทีนะคะพอได้สมาธิพระสมาบัติเลือดก็หยุดไหล แผลแตกตรงศีรษะก็ค่อยๆหายไปแผลเวอะหวะตรงคอหายไปไม่มีร่องรอยเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ถอนจิตออกจากพลสมาบัติหรือว่าพละสมาบัตแล้วเนี่ยนะคะพระบัวเหี่ยวก็ได้เล่าเรื่องของตนเองทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อถวายหลวงพ่อจารันที่ตะธรรมโมให้ฟังถึงสามชั่วโมงเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่ตนเป็นคนยวนไม่ใช่คนไทยมีอาชีพรับจ้างค้าวัวค้าควายค้าหมูมามากมายตราบจนกระทั่งออกบวชจาริกธุดงไม่หยุดถึงสิบปีกว่าจะได้มีโอกาสวาสนาพบหลวงพ่อที่วัดอัมพวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้ใช้ชดอ่าได้ชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างสะสมแก่บาปเวรที่สร้างไว้แล้วก็ตั้งปณิธานว่าจะอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในเพศสมณะนี้ ในวันสุดท้ายนะคะนักศึกษาได้พระอ่านได้พระบัวเหียวเนี่ยเป็นแบบอย่างก็แสดงว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถแก้กรรมได้โดยรับใช้กรรมอย่างไรทําให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะเห็นด้วยตาตนเองจากของจริงซึ่งได้เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนแล้วสําหรับพระบัวเหียวค่ะหลังจากนมัสการกระดาบลาหลวงพ่อจรันติตาธรรมโมที่วัดอัมพวันแล้วท่านเองก็ทุดงต่อไปยังภาคเหนือแล้วก็ได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง แล้วก็เป็นผู้อบรมสั่งสอนสัตยาติยมให้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรมจนได้ผลเป็นอย่างยิ่งและพระบัวเหียวเคยพาญาติโยมจากทางเหนือเนี่ยเดินทางมาที่วัดอัมพวัน2องถึงสคันรถบัสเพื่อมากราบนม้มาสการหลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมด้วยความเคารพสูงสุดเมื่อคณะสัตายาธิยมแล้วก็พระบัวเหียวกลับไปแล้วนะคะก็ทราบว่าพระบัวเหียวได้ออกทุดงหายไปอีกแต่หลวงพ่อจรันค่ะก็รู้เฉพาะตัวของท่านว่า พระบัวเหียวยังคงครองเพศบรรพชิตอย่างสันโดษสมถะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนั่นเองนะคะ